ตอนเช้าเราพูดคุยเรื่องการปฏิบัติธรรมสัหน่อยนะเห็นโยมหลายคนวันนี้เกือบทั้งหมดแล้วก็คือตั้งใจดีพูดคุยอะไรสักหน่อยเอาโยมคนนี้คุยก่อนนะเอาชื่อก็กราบนมัสก า, ารพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีผู้ปฏิบัติธรรมเดียนมาจากไหน呀 ชื่ออะไรม า, าไหนว่าปฏิบัติได้กี่วันแล้วการปฏิบัติทำสิ่งที่ประทับใจที่ฝึกฝนได้การแก้ความห่วงความขอแก่นี่วอนแก้ได้หรือยังแก่ยังไงวันไหนแก่ดีที่สุดหรืออะไรแล้วสรุปก็คือได้อะไรอย่างนี่นะพยายามพูดเป็นปัะจุบันปฏิบัติทำเจ็ดวันที่นี่นั้นเองอย่าไปเล่าอาดีตสมัยพุทธกาลหรนอนะนะอย่าไปเล่าสมัยที่ ก่อนมาปฏิบัติธรรมหมดไปสองชั่วโมงแมวเอาเฉพาะที่นี้เอากราบนามาสการพระคุณเจ้าคณะสงฆ์ทุกท่านทุกรูปและสวัสดีกลยันยามิตรทุกท่านที่ได้มาปฏิบัติธรรมในวันนี้ดิฉันสิริกรพยาบาลวิชาชีพอยู่โรงพยาบาลสมเด็จพยพุพราชทัพพนมได้มาปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมห้าสี่ถึงวันที่แปดวันนี้นะคะห้าห้า ก็ตั้งแต่เข้ามาปฏิบัติธรรมหนึ่งถึงสองสามวันแรกนห้รู้สึกมันยังไม่ได้เพราะว่าไม่เคยได้ปฏิบัติมาและโตเนื่องทำให้จิตใจของเรานี้มีมีความสับสนแล้วก็คิดเรื่องนั้นโตเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเหมือนมันเหมือนกับว่าความคิดมันมันคิดมากคะมันปฏิบัติ ก็ปฏิบัติพ่อผ่านไปในสองสามวันแรกนะคะประกอบกับตัวเองมีความเจ็บป่วยในร่างกายอยู่ในตอนนั้นก็เลยกำหนดรู้ว่าทำไมถึงปวดมากในวันที่ในวันที่สามตอนบ่ายๆนะคะปวดปวดปวดปวดปวดมากจริงๆทีนี้กำหนดว่าปวดปวดปวดจนสุดท้ายมาเดินจงกลมเดินไปเดินมาแล้วก็ความปวดนั้นก็หายไปโดยไม่รู้ตัวนะคะ โดยไม่ได้รับประทานยาแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยก็หายไปจนจนถึงวันที่ที่ความเจ็บปวดครบนะคะคือคือคือผู้หญิงนะคะขออนุญาตนะคะคือเป็นรอบเดือนนะคะปกติถ้าเดินมากแล้วก็ยืนจะปวดมากๆจนสุดท้ายเรากําหนดจนมันหายไปแล้วก็ไม่มีอีกเลยตั้งแต่วันที่สามะคะ่ะก็รู้สึกดีพอวันที่สี่ที่ห้า ลวงตางให้ไปเดินที่ป่าก็มีความรู้สึกว่ามันง่วงนอนก็เลยอยากจะรู้จังว่ามันนอนนี่มันมีความสุขย่างไงก็เอาเสือไปปูแล้วก็ไปนั่งดูความง่วงก็รู้สึกสับงบทําอะไรสารพัดสารเพโอ้ยิ่งนั่งยิ่งง่วงก็เลยบอกกับเสือว่าฉันรู้แล้วความง่วงฉันจะไม่ให้เธอกินฉันฉันจะลุกขึ้นไปแล้วนะเสร็จ แ, แล้วก็เดินขึ้นไปที่นี้ก็ ตาก็สว่างขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแต่ทำไปทํามาอีกสักพักหนึ่งประมาณสองชั่วโมงก็เริ่มง่วงอีกก็เลยมานั่งคิดว่าการที่เราทำได้ในตอนหนึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้ในอีกเวลาหนึ่งมันดับเกิดดับเกิดอยู่ตลอดเวลาก็เลยคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้ไม่ว่าเราจะเจออะไรเห็นเพื่อนสองสาวันแรกก็งุศิดทไ า, างงทไมเขาเป็นอย่างนั้นทาไมเขาเป็นอย่างนี้ หลวงตาก็สอนสอนทําได้ดีมากเลยแม้กระทั่งเราลุกเข้าห้องน้ําปกติเราไม่เคยอดทนเราไม่เคยกําหนดรู้เราจิตใต้สํานึกของเรามันเป็นยังไงตั้งแต่ก่อนเราก็จะตามใจตามมันไปนะคะก็ทําให้เราฝึกไม่ตามใจนะคะเมื่อวานนี้หลวงตาไม่ให้ฉันอาหารตอนเช้าก็รู้สึกไม่ไม่หิวเลยไม่ได้คิดเรื่องอาหาร แต่พอแต่พอช่วงที่เราไม่เคยปฏิบัติช่วงส่งสมาล้วมันหิวไม่เคยทานอาหารเช้าไปทํางานแต่มาปฏิบัติที่นี่แล้วเหมือนกับอยากกอบโคยอยากได้อยากกินมีอะไรก็กินทั้งที่ปกติเราก็ไม่ชอบไม่ชอบทานอะไรมากแต่พอมาอยู่วัดรู้สึกมันต้องเก็บโกยสะสมไว้ให้เยอะๆเพราะว่ามันเป็นกิเลสตัณหาแต่พอวันที่ห้าที่หกแล้วเริ่มรู้สึกว่า มันไม่ได้ต้องการอะไรมากมายค่นั้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้อ่ะมันอยากมีเหมือนคนอื่นเหมือนสิ่งของที่เราย้อนขึ้นไปที่บ้านตัวเองนีจะซื้อซื้อซื้อแล้วก็ไม่ได้ใช้ซื้อซื้อเข้ามาประดับให้มันเหมือนคนอื่นเฉยเฉยพอมาวันนี้ก็นั่งคิดว่ากลับไปนี่ของทุกอย่างที่อยู่ในบ้านก็คงเอาไปบริจาคจะใช้เท่าที่จาเป็นให้คนอื่นที่มันเป็นประโยชน์มากกว่านะคะก็รู้สึกว่า เป็นรับผิดชอบงานผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยและงานจริยธรรมด้วยในโรงพยาบาลก็เคยสอนคนไข้ได้แต่ยังปฏิบัติได้ไม่ดีสําหรับตัวเองนะคะแต่คนไข้เวลาเราเข้าไปสัมผัสเราจะพูดถึงความจริงอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐแล้วก็อนิจจังทุกขังอนัตตาความจริงที่พระเจ้าได้ตรัสไว้บางครั้งก็ทําให้คนไข้เขากับตัวญาติรู้สึกดีนะคะก็เหมือนกับเราเอาหลักธรรมตัวนี้ไปใช้ ก็คิดว่าประโยชน์ที่ได้ในวันนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายนี้เราจะเอาไปพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนางานของตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองคิดว่าคิดว่าคงทำได้ระดับหนึ่งซึ่งซึ่งตัวเองก็มั่นใจมาตลอดเพราะว่าสิ่งเวลาเหลือที่เหลืออยู่ในชีวิตของตัวเองที่เหลือน้อยที่สุดนี้คืออยากทาความดีก็คือ ให้ตัวเองได้พ้นทุกสิ่งที่เราค้นหามาตั้งงานพอมาเจอที่ที่หลวงพ่อหลวงตาที่วัดสมพนัทนะคะรู้สึกดีว่าในที่สุดเราก็ค้นเจอในสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วก่อนที่จะจากโลกนี้ไปคืออยากช่วยเหลือสังคมอยากช่วยเหลือตัวเองอยากช่วยเหลือคนในครอบครัวอยากช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติที่เราได้ดูแลรักษาอยู่ให้เขาได้พ้นทุกทรมานนะคะเพราะว่าก่อนตายอ่ะ ทุกคนจะทรมานมากคือความไม่ปล่อยวางเราก็ต้องอโหสิกกรรมก่อนที่จะจากกันไปเพราะตัวดิฉันได้รับผิดชอบงานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในการดูแลผู้ป่วยให้เผชิญความตายอย่างสงบซึ่งเราจะต้องมีการพูดคุยกันระหว่างผู้ป่วยกับญาติให้เขาได้ปล่อยวางไม่มีอะไรติดค้างคางในใจดีกว่าที่เราเสียชีวิตไปแล้วเราไปเคาะโงบอกว่า ขอโทษนะสิ่งที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้นะคะก็คิดว่าอยากจะช่วยตรงนี้ให้มากๆแต่ก่อนที่จะช่วยคนอื่นเราก็ควรจะฝึกใจของตัวเองให้ได้ระดับหนึ่งซึ่งแต่ก่อนมาปรึกษาหลวงตาหลวงตาบอกว่าสิ่งที่เราไปสอนกับคนอื่นนั้นเราทําได้หรือยังเรามั่นใจที่จะพูดเต็มปากเต็มคําได้หรือยังที่จะไปพูดตรงนั้นก็รู้สึกท้าอาใจที่ผ่านมาก็พูดพูดเหมือนกับคนที่รู้ แต่พอมาฝึกปฏิบัติธรรมตรงนี้เรายังมีอะไรอีกตั้งมากมายที่ในการเดินทางของชีวิตนี้ก็เลยคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้เจอในชีวิตที่ผ่านมาก็คือครูนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องคนไข้และเพื่อนใกะยะ้ชิรที่เราเจอพระสงฆ์ที่เราได้ได้รับความรู้จากท่านก็ทาให้เราได้มีความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมา แค่แก้ความคิดในแค่ในเดินจุ ก, กลมเนี่ยในช่วงในช่วงที่เราเดินจงกลมในความคิดที่เราเกระเจิดกระเจิงไปนะคะเราก็กําหนดรู้และกลับมาอยู่กับสติให้มาอยู่กับปัจจุบันวันไหนความกําหนดรู้ได้ต่อเนื่องมากที่สุดได้ประมาณกี่นาทีต่อเนื่องเนี่ยก็ได้ประมาณสักสิบยี่สิบนาที ก็กลับไปคิดแต่เราก็พยายามดึงกลับมาในช่วงหลังๆนะคะแต่ช่วงที่สองสามวันแรกก็ไม่ไม่ได้มันคิดมากแต่วันที่สี่ที่ห้านี้พอเราคิดไปปุ๊บเราก็จะคิดกลับมาได้เร็วขึ้ น, นะะรู้จักสติเดี๋ยวนี้กับเมื่อก่อนต่างกันยังไงต่างกันค่ะแต่ก่อนนี้เราจะคิดจมปักอยู่แต่เรื่องเดิมแล้วก็ทุกข์ตอนนี้เราก็จะผ่อนคลายโดยที่ว่าถ้าเราคิดไป มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราก็ทุกถ้าเราปล่อยวางปุ๊บมันรู้สึกมันโล่ง ม, มันสบายแต่ก่อนกินยานอนหลับเวลาเครียดเวลาทุกแต่ทุกวันนี้พอเรานั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตามันทำให้เรารู้สึกโล่งแล้วก็สบายตรงนั้นทำให้เราได้ปล่อยวางไม่ยึดติดได้ได้นานเหมือนแต่ก่อนสรุปว่าได้อะไร รู้ว่าที่ได้มาวันนี้ได้มาฝึกฝนจากวันแรกเราคิดว่าส่งสามวันแรกจะไม่ได้อะไรเพราะเราคิดว่ามันมันเหนื่อยมันเพลียมันเบื่อหน่ายอะไรเนี่ยพอวันที่สี่ที่ห้ามันทําให้เรารู้สึกว่าการฝึกจิตให้เรารู้จักอดทนรู้จักไหว้รู้จักกราบมีหลายๆอย่างที่เราไม่รู้พอมาถึงที่วัดนี้หลวงตาบอกทุกอย่างซึ่งบางครั้งในช่วงแรกๆเรารู้สึก เจ็บรู้สึกอายที่หลวงพ่อท่านสอนว่าสิ่งเล็ก น, น, น้อยแค่นี้เราก็ไม่รู้แต่พอมาวันนี้ก่อนที่จะออกไปจากวัดนี้เราได้อะไรตั้งมากมายก็จะนำไปปฏิบัติตัวและไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปเท่าที่จะทำได้อ้าวโมทนาทความเจ็บเมื่อไหร่จะรู้หาย ความอายเมื่อไหร่จะสิ้นชื่อถ้ายังไม่ฝึกไม่อยากฝึกไม่อยากหัดก็จะเหมือนรอยสักที่ปักไว้บนหลังมืออยากจะรื้อรูปอยากจะรื้อรอยสักนะ่อยากรื้อยังรักรูปไปใหญ่ยยมีสักเต็มมือเนี่ย อย่างลื้ อ, อมันออกไม่ยังไม่ดำว่าแต่ยังชอบลูบมันอยู่เนีย่ยมันไม่ออกนี่ใส่สันดานก็เหมือนเงินมาปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยจะลื้อลูบลื้อกิเลสลื้อตัณหาหรือความคิดความอยากออกไปเนี่ยยังลักอันนั้นรักอันนี้เนี่ยอย่าท่านมาทีนี่ก็จะสร้างเงื่อนไขเอาเก็บอาวุธที่เป็นช่องทางของกิเลสออกให้หมดถ้าอยู่ตัวเองให้ได้มากมากฟื้สติอยู่กับ ป, ปัจจุบันมีอันเดียวคือมาตั้งใจทําอย่างเดียวเลยทําเลย งฝึกหัดถ้าไม่ฝึกหัดแล้วก็ไปเริ่มด้วยอุปกรณ์หรือวิธีการอะไรเลยโยมเนี่ ย, ย, ยลงทาเขาก็ดีขึ้นเยอะนะปฏิบัติเนี่ยมันหนึ่งสองวันก็เป็นธรรมดานะของปลาที่จับขึ้นบนน้ำจับออกจากน้ำนมันจะดิน้นเพราๆๆๆพเราคนเราก็เหมือนกันอยู่แต่ความคิดความจมอยู่กับอารมณ์พอดึงออกมามันดินด้นดดเนี่ยนะมันดิน้น มันไม่สงบไม่สงับพอมาอยู่หน่อยเออมันก็เริ่มสงบขึ้นมาเริ่มดีขึ้นมาน่ะมันเริ่มปล่อยเริ่มวางสามวันน่ะหลายๆคนอาจจะเริ่มเข้าใจคําว่าสามวันไม่ได้เลยจําไว้ซะประเดี๋ยวทไมมันไม่ได้คนจะเริ่มเข้าใจละวสามวันแรกก็เท่ากับผ่าพอดีนะเอามีดสับผ่าตัดชั่วไม่ทันได้เย็บแผลนี้กลับแล้วมันเข็ดหลาบเลยมันไม่กล้ามาวันนี้อีกหรอกถ้าสามวันเนี้ย เพราะมันไม่เจออะไรงไงฉะนั้นหลายๆคนนึกว่ามันจะเข้าใจงา้นกิเลสตถาสะสมมติจะเกิดตั้งไม่รู้กี่ภพกี่ชาติอยู่ๆออกมาทำสามวันเนี่ยโอ้ไม่ได้ฉนะนั้นถ้าสองสาวันอย่าไปเลยปฏิบัติทําขนาดเจ็ดวันเนี่ยยังไม่ได้พระบวชเป็นปีเนี่ยยังไม่รอดเลยบางทียากนะแต่โยมเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างคือมาปฏิบัติทําเนี่ยเอาตามคำสอนตลอดเลยแต่พระนี่เรารู้สึกว่าเออ เคยฝึกเคยหัดเคยผ่านคลอดผ่านอะไรมาแล้วนะเคยฝึกน่าจะเป็นผู้ฝึกได้เองได้แล้วเป็นผู้ไม่ตามใจแล้วแต่ก็ยังยากท้าบอกว่ากำหนดต้องติดตามเอาอยู่นั่น่ะห้าปีซึ่จะรอดได้ถ้างนั้นก็คือไม่รอดจนมาแล้วโยมคนที่หนึง่งสองสามสี่เอาซีซีเอาซีว้ายออ ไปเดินย่างสามขุมหมุไปเลยย่างสามขุมก็ขุมอะไรนะโลภะโทสะโมหะย่างสามขุมเนี่ยเขาบอกส่วนมากจะเป็นอาการของยักษ์ก็คือตกในอารมณ์ดีเขาเรียกว่าย่างสมขุมอันนี้ย่างเหมือนเดินเหมือนช้างย่างเหมือนแมวอันนี้ไปช้าๆเบาๆเอากราบนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีค่ะ กัญยาณนมนิตรทุกท่านดิฉันประยูรพันอโนกจากํำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะโอ้มจากร้อยเอ็ดด้วยน ะ, ะเป็นข้าราชการครูอยู่ที่โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมาปฏิบัติธรรมที่นี่โดยสมัครทางโทรศัพท์คือเปิดเข้าไปดูในเว็บไซต์ของวัดสมพนาด นะคะเขาบอกว่าให้ติดต่อคนต้องตาบอกเบอร์โทรเอาไว้แล้วก็โทรหาจริงๆแล้วไม่เคยรู้จักวัดสมพนัสเลยมีแรงบันดาลใจที่อยากมาปฏิบัติเพราะว่าตอนนั้นทำไมจึงไปเสิร์หาในนั้นแรงบันดาลใจครั้งแรกก็คือว่าไปเรียนต่อที่ปริญญาโทนะคะที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามตอนนั้นก็ทาวิญญาณิผลแล้วก็เครียดทีนี้ก็เดินเข้าไปในห้องสมุดของคณะศึกษ า, าศาสตร์เนื่องจากว่าเป็นคนชอบอ่านหนังสือค่ะก็ไปเจอหนังสือที่เขาเออกมาเซลก็คือมาลถราคาเล่มเล็กๆก็ดูไปดูไปไปสะดุดใจกับชื่อหนังสือเล่มเล็กๆบอกว่าปฏิบัติการล้างใจเอ๊ะเห็นชื่อปุ๊บสะดุด ทำไมทำไมถึงบอกว่าล้างใจก็เลยหยิบขึ้นมาดูก็เห็นเห็นชื่อผู้เขียนน่ะสมหาปัญโยแล้วก็เอ๊ะเป็นพระก็เลยเปิดเข้าไปดูอ่านคร่าวๆ ก, ก, ก็เลยงงว่าเอ๊ะพระเขียนหนังสือธรรมะทำไมเขียนอย่างนี้ทำไมเป็นภาษาพูดง่ายๆอ่านลง่า ย, าายทำไมหนังสือธรรมะทั่วๆไป มันจะมีภาษาบาลีอ่านเราไม่เข้าใจต้องแปลเป็นศภาท์สูงซึ่งเราไม่อยากอ่านอ่านแล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันไม่ชัดส่วนมากหนังสือธรรมะ ก, ก็จะเป็นแบบพูดถึงเรื่องทําบุญทําทานสะเดาะเคราะห์พูดถึงเรื่องว่าจะไปต้องเปน็นนรกไปสวรรค์ชั้นโน้นชั้นนี้ซึ่งจริงๆเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่พอมาเจอหนังสือเรื่องนี้ปับ๊บซื้อทันทีเลยแล้วก็เอามาอ่าน อ่านอ่านอานอนก็มีความรู้สึกว่าเออเราไม่เคยเจอหนังสือธรรมะแนวนี้มาก่อนเลยในชีวิตอันนี้คือแรงบันดาลใจครั้งแรกสุดเลยแต่ก็ต้องวางเพราะว่าเราเครียดจากการทาวิญญาณิพน์เราไปเจออาจารย์ที่ปรึกษาเจอเจอผู้เชี่ยวชาญที่คือทำวิญญาณิพน์มี ม, มีมีที่ปรึกษาเยอะห้าคนแต่ละคนก็ห้าอารมณ์ห้ารูปแบบแล้วเราก็เครียดตรงนั้นทีนี้ก็ รีบๆทำพิญานิพนธ์ก็จบตามกำหนดทีนี้พอว่างมากลับมาไม่ได้ซื้อหนังสือนั้นไปฝากอาจารย์บนบ้างเลยตอนนั้นมีความรู้สึกว่ารับไม่ได้กับอาจารย์คนนั้นเลยเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอโอ้ยคนอย่างนี้ก็มีในโลกเหรอคือถ้าทาวิญานิพนธ์จริงๆแล้วเจอกระยาณมิตรนี่เราคิดว่าเราจะจบก่อนเพื่อนด้วยซ้ำไปแต่ตรงนี้ แต่เขก็จบพร้อมเพื่อนนะคะแต่ต้องไปไปเสียเวลากับการต้องทําใจยอมรับไอคนไม่กี่คนที่มาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตยากกว่าทําลิยานิพนธ์อีกอันนี้คือความรู้สึกนะคะทีนี้พอจบมาก็บอกว่าเออยังไม่ลืมหนังสือเล่มนี้ก็ามาอ่านอีกแล้วก็บอกว่าสอมหาปัญโยนอาจารย์สุริย า, าวัดป่าสมณัติจริง ไม่ยังไม่ใช่สอนมาจากคำว่าสั่งสั่งค่ะทีนี้ก็วัดป่าสมภนัดไปเลยร้านหนังสือโดยละเอียดในละเอียดร้านซีเอ็ดร้านบุ๊กสเตชันไปหมดเลยเพื่อหาหนังสือของสอมหาปัญโยทีนี้ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่ามีความรู้สึกหนังสือยังไม่หลากหลายหนังสือแนวนี้ทีนี้สอมหาปัญโยนี่จะพูดถึงหลวงปู่เทียน าหาหนังสือหลวงปู่เทียนอีกก็ไม่ค่อยมีเกิดฉุกจะอค้นในเว็บไซต์ดีกว่า ก, ก็ไปค้นพิมพ์เข้าไปทีนี้ขึ้นมาเต็มไปเลยก็ค้นใหญ่เลยก็รู้ที่มาที่ไปหลวงปู่แล้วก็ไปได้หนังสือของหลวงปู่เทียนคือพิมพ์ออกมาจากเน็ต<ม>นะคะเอามาหลาย เ, เ ล, ยล่มไลล้ไปสะดุดใจตรงที่หลวงปู่เทียนเทศว่า สิ่งที่หลวงปู่เทียนสอนเนี่ยเป็นทางลัดตรงตรงที่สุดลัดที่สุดแล้วถ้าใครตั้งใจปฏิบัติจริงนี่จะเห็นผลอย่างเร็วหนึ่งถึงเก้าสิบวันอย่างกลางหนึ่งปีอย่างช้าสามปีถ้าไม่เห็นผลอันนี้ไม่มั่นใจว่าจำผิดรืหรือเปล่ลานะคะท่านบอกว่า เอาชีวิตเป็นเดิมพันหรือเอาคอเป็นประกันประมาณนี้ก็ตกใจว่าอ้าวอ่านหนังสือมาไม่เคยเห็นใครกล้าเอาชีวิตเป็นเดิมพันไม่เคยเห็นใครพูดอย่างนี้เลยแปลกมากทีนี้พอคิดอย่างนี้ปั๊บเออฉันก็คนเหมือนกันเพราะว่าท่านบอกว่าเออไม่ว่าจะเป็นคนที่ไหนเชื้อชาติใดถ้าทําอย่างเนี้ยรู้เหมือนกันรู้เหมือนที่ท่านรู้ดิฉันก็คิดว่าเออ ฉันก็คนคนไทยคนไทยที่รู้จากศาสนาพุทธแบบแบบรู้เหมือนคนอื่นๆรู้เนี่ยแต่ฉันจะรู้แบบหลวงปู่เทียนว่าล่ะจะรู้ไหมท่านบอกว่าละทุกได้จริงๆถ้าทำเนี่ยอนิสงไม่ต้องพูดถึงดิฉันก็ว่าเออถ้าหลวงปู่พูดอย่างเนี้ยดิฉันจะลองมั่งละทีนี้ก็เริ่มเริ่มศึกษาด้วยตนเองมาฝึกปฏิบัติไปนั่ง นั่งยกมือท่านบอกว่ารู้สึกตัวเฉยๆก็ทำเอ๊มันเป็นยังไงรู้สึกตัวฝึกแต่เป็นคนเอาจริงนะคะฝึกทีบตื่นตีสี่ตีห้านีมาลองทำาตื่นเช้ามาไปทำงานสอนนักเรียนก็เครียดก็เอะไรตามภาษาปรตตูชนคนทั่วๆไปกลับมารีบอาบน้ำกินข้าวทำ เดินมั่งให้มีความรู้สึกก็ทําลองทําดูลองทําดูแต่ความไม่รู้เราก็คิดว่าเออถ้าอย่างนี้มันเสียเวลาเปล่าไปดีกว่าจะไปไหนละ่ะเพราะว่าเราไปค้นในเว็บวมันมีเยอะวัดป่าสุขโตอากาลิโกมีไปหมดวัดทับมิ่งขวัญวัดเออป่าสมพนัทแต่เราบอกว่าออในใ น, ในเว็บไซต์นี่มีมีคนเขียนมีคนคอมเมนต์เข้าไปว่า วัดป่าสมพนัสเป็นวัดที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆของประเทศในเรื่องความความเคล้งความความเยิ้มความเนียเน้ยบ ถ, ถ้าใครไปแล้วจะเจอเราก็ว่าเออเราต้องเจออย่างนี้สิเพราะเราแก่แล้วจะไปมัวไปวัดโน้นวัดนี้สเปสะสปะเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รู้อยากเจอของจริง เราก็จะลองเหมือนกันเป็นยังไงเป็นกันทีนี้ก็เข้าไปค้นในเว็บของวัดป่าสมพนักก็กเห็นรูปลวงตาเห็นก็ไปฟังธรรมะมั่งก็คือช่วงนั้นก็ยังแบบว่าภาระงานเยอะแต่ว่าตัดใจว่ายังไงต้องไปให้ได้ก็เห็นโปรแกรมของวัดว่าวันที่หนึ่งถึงเจ็ดนี่นะคะปฏิบัติธรรมตอนรับปีใหม่สมัครทันทีเลยโทรมาหาคุณต้องตา แล้วก็มีน้องคนหนึ่งที่อยู่โรงเรียนเดียวกันบอกว่าพี่หนูไปด้วยนะก็บอกว่าคือคือเขาจะสังเกตดิฉันมาตลอดว่าดิฉันเป็นอะไรคือจะไม่ออกงานบ่อยเขาก็โทรหาว่าพี่พี่เป็นหัวหน้าคือเป็นหัวหน้าสายฉันมีลูกน้องสิบสามสิบสี่คนพี่เป็นหัวหน้าพี่ต้องไปงานนี้นะพี่ต้องไปอย่างนี้นะก็บอกว่าเออพี่ไม่ไปไม่ได้ทำไมเจ้าต้องบอกเหตุผลมาก็คือชอบพอกัน จะไม่มีเหตุผลจะต้องบอกมาเรายังไม่อยากบอกเรื่องนี้กับใครเราอยากรู้ก่อนที่จะพูดเพราะคือปฏิเสธน้องไม่ได้ก็คือก็ชื่นชมชื่นชอบมีใส่ใจเขาบอกว่าเออพี่จะพูดความจริงให้นะคะพี่แอบปฏิบททัติตามแอบยังไงไมอบอกหนูเดวนี้นะก็เลยว่าพี่บอกไม่ได้แต่พี่จะเอาหนังสือไปให้อ่านก็หนังสือสีห้าเล่มที่ซื้อไว้ไปให้น้องอ่าน ก็ติดใจเหมือนกันเ็าบอกว่าหนูจะไปด้วยเออก็เลยถากันมาซึ่งพอมาถึงดิฉันก็บอกเลยได้เลยว่าตื่นเต้นตื่นเต้นพอเข้ามาปั๊บนี่วันสองวันแรกนี่หลวงจำคำที่หลวงตาเทศครั้งแรกว่านักปฏิบัติธรรมต้องเป็นนักวิจัยนะอ่า ก็ามาคิดว่านักวิจัยก็คือผู้ที่ศึกษาค้นคว้าหาวิธีการแห น, นหาแนวทางมาทดลองเพื่อได้คำตอบที่ถูกต้องเราก็แนวทางของหลวงปู่เทียนก็คือยกมือสร้างจังหวะกับเดินจงกรมทีนี้ก็ตัว น, นั้นกังวลสองวันแรกในกังวลเราจะใช้เทคนิคแบบไหนนะก็คือจำจำบริบทที่เข้ามาว่าอลองตา ย, ยกมือสองทีละวันอ้าวเออ กราบขออภัยนะคะถ้าต้องพลาดพิงก็คืออย่างมองจำได้ว่าครูบาเพาะนี่ก็ทาเอามือสะบัดไปทำกรรมมือหลวมๆสะบัดไปทีสองทีก็ เ, เอาวางพระอาจารย์อีกองค์หนึ่งก็งายมือทำบางองค์ก็ยกช้าๆแม่ชีบางคนก็ยกช้าแล้วก็อ่าน แล้วเราจะยกแบบไหนมันทึงจะถูกมันถึงจะเร็วเพราะเพราะกังวลว่าเจ็ดวันนี่เราต้องรู้วิธีที่ถูกต้องเราต้องเห็นอะไรสักอย่างให้ได้ก็เอาวิธีของแต่ละคนมาลองทําดูเพื่อจะหาว่าวิธีไหนมันเหมาะกับเราหรือวิธีที่ตัวเองทําอยู่ที่บ้านหมดเลยเพราะว่ากังวลมาเจอแล้วเอาลองทําแบบก็เลยคิดว่าเอาอหลวงตาเนี่ท่านท่านของจริงประมาณนั้นท่านไม่ต้องทํามากท่านก็รู้สึกตัวนะ เอาลองทําแบบคนโน้นบ้างคนนี้บ้างกังวลไปผลเลยค่ะทีนี้ครับวันที่สามนี่เอาวิธีของของพระอาจารย์เหาะกับพระอาจารย์คู่ของท่านนะคะที่เป็นพระอาจารย์ที่เลี้ยงไปทําปรากฏว่ากลับไปนี่เขาปิดไฟนอนหมดเราไม่นอนลองวิธีสองสองพระอาจารย์นี้บ้างได้ผลเลยค่ะแน่นขึ้นมาที่หน้าอกปวดหัว แต่ว่าเออเรารู้แล้วว่ามันไม่ถูกก็มากราบพระอาจารย์ว่าอาจารย์คะมันมีอาการคือมันจะแน่นหน้าอกมันจะปวดหัวมันจะเครียดอาจารย์ก็บอกว่าเราเพ่งเกินไปเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้แนะนําให้มองกว้างๆเราก็เออเราก็ไม่ได้เคร่งเท่าไหร่นะทีนี้มันเกิดรู้ขึ้นมาเองว่าอ๋อเราเรามันเป็นอะไรที่ กังวลมากนะ่มันกังวลจนลืมความเป็นปกติทำแบบนึกตปว่าหลวงตาว่าให้ทำสบายๆใจสบายให้แค่รู้สึกตัวอ๋อแต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้วันหนึ่งขอขอคาแนะนำจากครูบาหอท่านก็บอกเหมือนกันว่าอย่าเพ่งอย่าเกรงนะให้ทำสบายๆเดินไปจะรู้สึกบ้างไม่รู้สึกบ้างก็ไม่เป็นไรล้วก็อ๋อแสดงว่าเราเคร่งหรือตอนนั้น เออก็เอาคิดหายอุปกรณ์วิธีการที่ทำให้เราไม่ไม่เคร่งเกินไปไม่เพ่งเกินไปมองไปเห็นไม้กวาดด้ามหนึ่งวางอยู่เออถือไม้กวาดมาแกว่งไม้กวาดไปข้างหน้าเราก็เดินไปเดินมาก็าดูไม้กวาดไปด้วยเพื่อมันให้มันคลายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าเอา้ะมันจะมีอยู่เลยคนที่เดินจงกรม โดยใช้ไม้กวาดเป็นเครื่องมือมันไม่มีมันไม่ถูกก็ทิ้งไม้กวาดไปก็เลยมารู้สึกว่าอ๋อต้องทำเป็นปกติทำใจสบายๆทึได้รู้ว่าการวางอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญอันตรงนี้สาคัญสำหรัต บ, บตัวดิฉันนะคะอารมณ์ของการปฏิบัติขณะปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องมีวิธีรู้จักวางอารมณ์ทีนี้ก็เริ่มเริ่มเดินเป็นปกติแต่เนื่องจากว่าดิฉันเป็นคนที่ไม่คิดมาก อันนี้อันนี้มามามาเห็นตัวเองอยู่วันที่มาปฏิบัติพอเริ่มเข้าที่รู้จักจังหวะการเดินการยกมือแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราไม่มีความคิดมากมายไม่ได้คิดถึงบ้านไม่ได้คิดถึงที่ทำงานไม่คิดถึงใครเลยคนที่เราเคยโกรธก็มีเคยเกลียดก็มีแต่มันไม่คิดมันมีความคิดอยู่สองสามอย่างอย่างที่หนึ่ง หลวงตาว่าอย่างนั้นนะหลวงตาว่าอย่างนี้นะให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือคิดไปนะคะคิดไปแล้วก็คิดอีกอย่างหนึง่งสิ่งที่เราไม่ได้คิดแต่มันมันขึ้นมาได้ยินมะก็คือเสียงเพลงดิฉนันเป็นคนชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กร้องได้หมดเลยลูกทุ่งลูกกลงุงแต่เป็นเป็นรุ่นโบราณนะคะไม่ใช่รุ่นปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยสนใจเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันไม่เพาะเลย ยุ่าเก่าๆจะเพราะมากกว่าร้องขึ้นมาทุกครั้งที่เดินร้องขึ้นมาเราก็ฟังเออบางทีก็ฟังบางทีก็เฉยจำคาที่หลวงตาบอกว่า เ, ออเหมือนขับรถนะคะก็คือประคองตัวเอาไว้อะไรผ่านไปผ่านมาก็หลบหลบหลีกหลีกไปซะ อ, อ, อย่าไปชนเข้าก็จำคานี้ไว้ก็วันหนึ่งก็มามากราบหลวงตาว่าการที่เราจะหลบหลีกจากความคิดทำยังไง ที่ที่ทีที่ฉันทามีสองมีสองวิธีก็คือเห็นปุ๊บคือมันตัดปั๊ดไปเลยอีกวิธีเนึ่งก็คือดูไปก่อนอย่างอยังเออดูดูไปแล้วมันก็หายไปก็มากราบหลวงตาหลวงตาบอกว่าเออแล้ววิธีไหนที่สบายก็ก็บอกท่านว่าสบายทั้งสองวิธีหลวงตาก็เมตตาบอกว่าเออก็เปรียบเหมือนเด็กเราเหมือนเด็กที่จะให้ บอกว่าชกอย่างนั้นชกอย่างนี้มันนักมวยนีย่เด็กมันทําไม่ได้ถ้าต่อสู้กันเด็กก็เอาทุกรูปแบบทั้งตัดทั้งถีบทั้งเตะทั้งต่อยก็มั่วเลยก็รู้แล้วว่าเออเราต้องมั่วไว้ก่อนเพราะเราสติยังไม่แข็งแรงทีนี้ก็เริ่มปฏิบัติเข้าที่เข้าทางก็มีความคิดอยู่แค่นั้นเองนะคะไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่าใจนี่บุ่งมั่นฉันต้องทําให้ได้สิหลวงปู่เทียนว่าทําโลกมันได้ผล ทำไมเราจะทําไม่ได้คิดอยู่แค่นี้สิ่งที่เข้ามาในใ น, ในความคิดเนี่ยก็คือมีเสียงเพลงแล้วก็มีบทสวดแล้วก็มีหลวงตามีอยู่สามสามกลุ่มนี้ละค่ะที่ว น, นแล้วก็สลัดทิ้งสลัดทิ้งสลัดทิ้งทีนี้วันที่หลวงตาพาพาไปเดินที่ที่ป่าข้างหนองน้ํานะคะมีบกเออคือไปเดินที่ ข้างๆทางเดินจะผ่านไปไปสวนไผ่ที่ปลูกใหม่ข้างๆห้องน้ํานะคะทีนี้เดินไปเดินมาได้สองสามเที่ยวหลวงตาก็เดินไปบอกว่าอ้าวเนี่ยให้ไปเดินข้างในนะข้างในมีมี i, <is hacia S 1> ทางเดินจงกรมเป็นสาสบวัดที่น่ะไปเลือกเอาข้างในหลวงตาคงจะคิดว่ามันไม่เหมาะเพราะมีคนเดินผ่านเข้าออกมันจะไม่สงบดิฉันก็เดินเข้าไปข้างในไปเลือกเอาที่หนึ่ง ทีนี้หลวงตาก็จามไปบอกว่าไปยืนหลวงตาไปยืนบอกว่เออตรงนี้ไม่ดีไปตรงนั้นดีกว่านะดิฉันก็เดินตามไปเปนี้หลวงตาอ่ะเอาตรงนี้แหละดีฉันก็วางเขาอีวางอะไรแล้วก็ทดลองเดินตรงนี้ขออธิบายละเอียดนะคะเพราะเป็นจุดสําคัญทดลองเดินเดินขึ้นเดินไปเดินมาแล้วก็ดูดูไอ้ทางเดินอ้อมันเป็นทางที่ไม่ใช่ทางตรง มันไม่ใช่ทางโค้งมันเป็นทางคดอย่างเนี้ยแต่คดน้อยโคดแบบเนี้ยคล้ายๆตัวเอสแต่คะแต่มันน้อยถ้าไม่สังเกตจริงๆจะไม่ออกเดินอ๋อมันเป็นทางลาดมันเป็นลาดนิดๆเดิ น, ด น, ด น, ดนดจะรู้เลยว่ามันลาดทั้งโคทั้งทั้งคดทั้งลาดทีนี้นึกฉุกคิดได้ว่าหลวงตาทเทศว่ า, ามีหลวงตาองค์หนึ่งมาปฏิบัติธรรมทีนี้ ท่านอยากให้มีสติมากๆท่านไปเดินบนบนบนหน้าโคดหินหรืออะไรประมาณเนี่ยฉันก็จุกคิดว่าเออในเมื่อเรามาแล้วต้องการให้มีสติมันโตเร็วเหมือนหลวงตาว่าเราต้องเสี่ยงแล้วนะฉันจะทำทวนเหมือนเหมือนกับหลวงตาท่านทำทวนกระแสยังไงฉันจะเดินถอยหลัง ความคิดมันแว๊บขึ้นมาเอาวะฉันจะวิจัยจแบบนี้แหละจะเดินถอยหลังซึ่งไม่เคยเดินเลยนะคะจะเดินถอยหลังก็เล็งแล้วก็เอารองเท้าสองข้างนะคะข้างนี้วางตรงจุด ด, ด้านหนึ่งข้างหนึ่งก็วางด้านหนึ่งแปลวะ่าเดินถอยหลังมาชนรองเท้านะคะอ๋อสุดทางเดินแล้วนะก็จะถอยหลังกลับนะคะถอยมาเอามาชนรองเท้านะเออแล้วก็จะถอยหลังกลับคิดได้แบบนี้ทีนี้ ตั้งใจว่าจะไม่มองพื้นเลยพื้นดินมันจะอยู่ตรงไหนช่างมันฉันจะเดินให้มันรู้สึกอย่างเดียวทีนี้มันกออ็ตายเป็นตายมองยอดภั่มือก็ประสานกันข้างหลังถอยเลยถอยโดยที่แบบถ้าเราถ้าเราหงายหลังก็คือเอาไม่อยู่เพราะว่าเราไม่ดูเลยไม่ไม่ได้ดูอะไรอีกเลยแล้วก็ถอยอย่างเร็วด้วย ถอยทุกย่างก้าวนี่ก็คือความกลัวตายใช่ไหมคะความกลัวมันทำให้เรามีสติสติลงที่เท้าทุกครั้งเลยก้าวหนึ 1, ่งก้าวสองก้าวสามจิตมันไม่ไปไหนเลยคะ่ะมันอยู่กับเท้าพอสัมผัสปุ๊บก้าวตอบก้าวต่อก้าวต่ อ, ตอเดินอยู่จนตั้งแต่ที่หลวงตาออกมาจนถึงมีความรู้สึกว่าเหนื่อยแต่มันอยู่กับมันอยู่กับ เท้าเราไม่ไปไหนเลยเออแปลกมันว่างมันโล่งสมองก็ไม่มีอะไรมันโปร่งแต่ว่ามันชัดมากเลยนะคะความรู้สึกมันชัดไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนก็เออไปนั่งดีกว่าพอนั่งไปยกมือเอยมือฉันไปไหนมันไม่มีมือมือมันเบามันเหมือนสัมฤทมันโล่งไปหมดเลยแล้วก็อยตายแล้วฉันไปอะไรก็หยิก หยีดตัวเองอ้ามันเป็นเจ็บก็นึกถึงที่หลวงตาเคยเทศว่าหลวงตาปฏิบัติธรรมครั้งหนึ่งมันรู้สึกว่ามือมันมันไม่มันไม่มันไม่มีมือแล้วเอาเอาแขนนี่เข้าไปในกองไฟแล้วก็ไฟมันไหม้ได้ลก่นโคตรเออแล้วเราจะเป็นอย่างนั้นพอคิดได้ปั๊บเสียงระฆังดังอ๋อถึงเวลาทานข้าวแล้วมองไปไม่มี ญาติธรรมสักคนเลยเราออกเป็นคนสุดท้ายก็เดินมาเดินมาทําไมเฮ้ยทําไมเราเป็นอย่างงี้เหมือนเท้าไม่แตะพื้นเหมือนลอยมาก็กําหนดกําหนดกําหนดแต่มันก็ช้บอยู่นะคะความรู้สึกก็เหมือนลอยมาแล้วก็มานั่งสร้างจังหวะไปรับอาหารข้าวแถวก็อฮ้ยทําไมยกมือไปเอาเฮ้ยทําไมเราเบาจังเลยเท้าก็เหมือนกับไม่สัมผัสพื้นแต่ก็รู้สึกตัวอยู่พอมานั่งทานข้าวหลวงตาก็เปิดวิดีโอให้ฟัง นั่งไปแล้วก็พระทานเสร็จก็ยกมือมันก็ยังเบาเหมือนเดิมฟังไปฟังไปสักครู่หนึ่งเสียงหลงตาเทศว่าใครรู้ใครเห็นอะไรก็อย่าพูดให้คนอื่นฟังเหมือนกับหลงตารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พ, พ, พอฟังพอรอตาพูดไม่ทันถึงหนึ่งนาทีนั่งยกมืออยู่มันเป็นมันเป็นคลื่นนะคะรู้สึกเลยว่ามันเป็นคลื่นเหมือนกับเหมือนกับไอ้คลื่นของฟ้าแลบ เวลาฝนตกมันแป๊บแป๊แป๊บ๊แต่มันเป็นแนวโค้งมันขึ้นเท่าเท่าเท่าี่ความรู้สึกมันขึ้นมาปุุ๊๊ปุุ๊๊มันขึ้นมาแบบติดๆิดกันแต่มันขึ้นในแนวแนวโค้งนะคะขึ้นรอบปุ๊บปุ๊ขึ้นมาติดสุดเลยแล้วสิ่งตามก็คือร้องให้เราก็ไม่ได้อยากร้องล้วก็กลัวคนที่นั่งข้างๆว่าจะว่าเราบ้าโอ้ยจะเป็นอะไร ก็พยายามระงับอารมณ์เต็มที่เอาจะไม่ร้องแต่มันเอาไม่อยู่ก็ร้องร้องร้องทีนี้ก็เออเออเขาอบตัวเองว่าอยา่ยาอยา่ยาอย่าอยเดี๋ยวเขาจะว่าเราบ้าก็คือเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรก็ร้องร้องเอยก็พยายามตั้งใจดีๆก็ยกมือแต่ก็ยังร้องอยู่ประทานข้าวเสร็จเขาไปกราบลงตาลวงตาเอาปะเออ ได้ปิดตีทําใจดีๆไปล้างถ้วยล้างจานซะแล้วก็กลับมาหาหลวงตาก็ทําตามที่ท่านบอกก็ยังร้องมันก็ยังอุ้ยทําไมเราต้องร้องด้วยนะจิตใจชั่วหนึ่งมันก็คิดว่าเอ้ยร้องทําแต่มันก็ร้องนะ่ะมันห้ามไม่อยู่เออพอติล้างถ้วยล้างจานเสร็จขึ้นมาหาหลวงตาท่านก็บอกให้ไปปฏิบัติต่อซึ่งก็ไม่ไปไม่ไปคุยอยีกนะคะก็ไปปฏิบัติกับเพื่อนที่ที่เดิม ทีนี้ปฏิบัติก็มีความรู้สึกว่าคือเรากลัวไงคะกังวลกับสิ่งที่เราเจอก็เลยทำให้การปฏิบัติในช่วงนั้นก็ก็ยังมีความรู้สึกที่ดีอยู่ความคิดมันจะแวบขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดเลยไม่มีความคิดเรื่องอื่นเออเราเป็นอะไรเอเราเป็นยังไงเี่มันอะไรนะก็คิดอยู่แค่นี้แต่ว่าก็พยายามสลัดทีสลัดทิ้งจนกลับมาก็ปกติ มันมันอยากเดินมาถึงถึงตอนตรงที่ทางเดินระหว่างไอ้สะของวัดกับหนองน้ำนะคะเดินผ่านตรงนั้นเนี่ยมันเอาไม่อยู่เดินทะลุไปถึงไอ้ล้วล้วที่กับสวนไผ่นะคะแปลว่าจะเลี้ยวเข้าทางเดินเนี่ยมันเลี้ยวไม่ได้มันเสียเวลาจะเข้าไปทางจงกลมเดิมที่เคยเดินไม่ไปแล้วมันมันไปไม่ได้มันไม่อยากไปมันจะเดินนะคะ หอยกลับหันหน้ากลับมาซัมาพุ่งมาที่ไอสระน้ำที่เดิม น, นะคะวนกลับมาอีกด เ, ดเอาตรงนี้เราวะไปไหนไม่ได้แล้วแต่พอเดินผ่านมามีญาติธรรมสองท่านเดินผ่านมาเข า, าอะไรลืมอะไรเหรอือลไปไ ป, ไ ป, ไปก็คือเอามือหนึ่งสะบัด บ, บอกไปไปไปกำลังได้ที่กาลังดีไปเาเลยบอกว่าแต่ว่า ถุงเท้าก็ยังใส่รองเท้าก็ยังใส่อยู่มือยังถือขวดน้ําแต่ไม่ถอดไม่วางเดินใหญ่เลยเดินแล้วเดินอีกวนไปวนมาก็คือโอ๊ยทําไมเราอยากแต่ความรู้สึกนี่ชัดมากเลยนะคะชัดทีนี้หลวงตากําลังมองเห็นหลวงตากําลังไอพาไอ้นักปฏิบัติไปอยู่ยจุดโน้นจุดนี้หลวงตาผ่านมาหลวงตาก็บอกว่าเอา้าเดินมาเร็ว หลวงตาคิดว่าดิฉันเพิ่งเดินมาแต่จริงๆมันหลายรอบแล้วหลวงตาคิดว่าเดชันเดินไม่ทันลวงตาก็คงจะรู้แล้วอ้าวเอาตรงนั้นเหรอป ก, กติเราควรจะนั่งลงแล้วก็ไหว้แล้วก็คุยกับท่านแต่นี่พยักหน้าอย่างเนี้ยก็คือมันพูด ม, ดมันอยากเดินมากแค่พยักหน้าแล้วหลวงตาก็ผ่านไปเพนเด็บบอกว่าอ้าวถอยมาหนี่หน่อยนะก็คงหลวงตาคงบอกว่ามันมัน คนผ่านไปผ่านมามันจะเป็นอุปสรรคในการจเจริญสติแต่เราตรงนั้นไม่สนใจแล้วใครจะเดินผ่านไปมาฉันไม่รู้ฉันจะเดินอย่างเดียวเดินแบบเหมือนคนเหมือนคนคลั่งนะคะคือจะบอกว่าเหมือนคนเมาแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเมายังไงเป็นยังไงเพราะเดี๋ฉันไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดน้ำมันลมเดิฉันก็ไม่กิน ก็เลยไม่อธิบายไม่ถูกรู้แต่วมันอยากเดินอย่างนี้นควรู้สึกนี่ชัดชัดชัดชดเดินเหมือนคนบ้าเดินเดินขวดน้ํามีกอดแน่นไว้กับอกทีนี้นก็เออฉันมาปฏิบัติธรรมนะเออฉันจะเป็นบ้าไม่ได้นะฉันจะต้องไม่ให้คนรู้ว่าฉันกับฉันเป็นบ้าพอมาปฏิบัติธรรมก็เตือนตัวเองเดินมาเดินมาเดินมาเดินมาชั่วครู่หนึ่งมันเหมือนกับระเบิดมันมีความรู้สึกที่ปัญญามันก็ล้อไงฮะ ร้องห้อีกแล้วเหรออย่าร้องอย่าร้องไม่รู้น้ําตามาจากไหนมันก็พังออกมาเราก็เดินไปเดินมาอย่าร้องนะอย่าร้องนะทีนี้มันก็ร้องอยู่นั่นแหละเดินไปสักพักหนึ่งมันส ง, งบพอส ง, งบลงอ๋อทำไมฉันเดินช้าคือมันเป็นไปเองนะคะมันมันช้าลงช้าลงอ๋อเราเดินช้าแต่ก็ยังร้องแต่แตก็ก็ร้องน้อยลงทีนี้ก็ช้ามากจากมันคือมัลดระดับลงจาก เอาเป็นว่าความรุนแรงนะคะลดลงลดลงลดลงแล้วก็เดินเหมือนขาลากเดินดต่ก็ความรู้สึกจะชัดพอสักพักหนึ่งดิฉันนึกถึงไอ้แผ่นดินไหวอัพเปอร์ช็อคมันมาอีกเดินอีกแต่ทีนี้มันไม่แหลงเหมือนยกแรงเดินอีกอ้ออ้มันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วก็เดินโอ้ยพอมันสงบ ม, มา ฉันจะตายไหมเนี่ยกระดูกระเดี่ยวฉันจะเหลือไหมขาฉันพังในเนี่ยเลยเพราะกระทืบลงทุกครั้งที่จังหวะความรู้สึกมันมั น, ม, นมันมีมาทีนี้ก็โอ้ยฉันไม่ทําอีกแล้วฉันกลัวฉันตายก่อนเ อ, อปฏิบัติทำมันมันรุนแรงอย่างนี้ฉันไม่เอาก็เลยเป็นนั่งลงที่อาหารหน้าไปทางไอ้นองน้ําก็ผ่อนคลายอารมณ์มองไปกว้างๆมองไกลๆ ก, ก็เห็นความงามของน้ําของทิวทัศน์ ความเอาแล้วร้องเพลงขึ้นมาแล้วอเอาอีกแล้วเหรอมาร้องเพลงขึ้นมาสายน้ําเชี่วโกลกไหลวกวนแล้วไหลไปไหลไปเราไม่กลับมาเพลงของวงจันทร์พปรุ่นอ้าวมาอีกแล้วแล้วลก็เออช่างมันร้องไปเถอะก็ไม่สนใจพอดีระคังบอกให้มาฐานข้าวนะแล้วก็เดินขึ้นมาก็คิดก็แต่ก็กําหนดนะคะกําหนดโอ้ย ปฏิบัติธรรมมันดุเดือดอย่างนี้เลยฉันคงตายแน่เลยถ้าปฏิบัติธรรมแล้วมันรุนแรงอย่างนี้แต่ก็ไม่พูดนะคะไม่บอกใครเลยหลวงตา ก, ก็ไม่บอกก็มาทานข้าวหลวงตาให้ใ ห, ให้ให้ไปทานข้าวคนเดียวแล้วก็ตักกับแต่ก็ยังเหมือนเดิมคือจากวันนั้นถึงวันนี้มือดิฉันก็ยังไม่มีน้ำหนักไม่มันเบาเหมือนไม่มีมือตลอดทีนี้ไปทานข้าว ไปแอบแอบทานอยู่ตรงนี้ก็ฝึกกำหนดกาหนดในการทานข้าวก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมทุกวันเราก็ทานเท่านี้ตักเท่านี้ทำไมวันนี้เราทานมันอิ่มมากมันไม่คือดิฉันไม่มีไม่มีความหิวไม่มีความว่วงคือตั้งแต่เริ่มมาปฏิบัตินะคะไม่รู้จักว่างห่วงเป็นยังไงไม่รู้จัก ว่าไอ้ทรมานอยากกลับบ้านนี่เป็นยังไงมันเชยมากเลยทีนี้ไปนั่งทานข้าวเกิดความรู้สึกผิดในใจว่าโอ๊ยทำไมฉันตักมาเยอะอย่างนี้มันทำไมอิ่มอย่างนี้มันกินไม่จะไม่หมดแต่ไม่ได้นะต้องกินให้หมดมันเสียของก็พยายามกินกินแล้วเออคงเดินจงกรมไม่ได้หรถ้ากินแล้วมันอิ่มอย่างนี้เออก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ทำได้แต่ฉันจะต้องทานะ ไม่ทำไม่ได้ก็กลับลงไปไปเดินทีนี้เปลี่ยนที่เดินจากริมสระเข้าไปข้างในเดินเข้าไปเลือกหาทําเลยไปเห็นน้องคนหนึ่งนะคะก็เข้าเดินอีกมุมหนึง่งอีกมุมนึงเห็นหลวงตารูปที่ท่านใส่แวน่นอายุมากแล้วละคะแต่ไม่ใช่หลวงตาสังนะคะทีนี้ก็คิดว่าเออเราก็ จะเดินเพื่อไม่ให้ท่านทั้งสองนี่ลาคาญก็จะเดินเบาๆก็าาวางเก้าอี้าวางรองเท้าพี่นี่เดินไม่ถึงสองนาทีความรู้สึกมันชัดขึ้นมาเออหลวงคือคื อ, คอตอนหนึ่งมากราบลงตาว่าคือความที่เราไม่รู้ลงตาค่ะถ้าจะออกจากาปิตินี่ทำยังไงคะก็คือเราไม่อยากไม่ไม่ไม คือเรารู้อ่านหนังสือเจอมาก่อนว่ามันเป็นเพียงขั้นแรกของสิ่งที่จะเจอในการปฏิบัติธรรมมันต้องผ่านปิติเอจะผ่านยังไงหลวงตาว่าก็ดูเฉยเฉยมันจะเกิดอีกไหมคะหลวงตาก็บอกว่ า, วาก็จะสองสามครั้งก็หายเออเราเกิดสองครั้งแล้วมันจะเกิดครั้งที่สามแล้วอุ้ยดีใจฉันจะหายจากปิติล่ะทีนี้ทีนี้ก็เดินเอ ทำไมมันรู้สึกเดินมันไม่ถนดัดมันมันชัดอยู่นะคะแต่มันสลืมสลือมันเหมือนกับจะมีน้ําตาซึมออกมาสเอ๊ะฉันจะเกิดปิติเออหลวงตาว่าคือจําได้แล้วว่าก่อนจะเกิดปิติมันเป็นอย่างงี้นะรู้แล้วทีนี้เออหลวงตาว่าให้ดูเฉยเฉยเออหลวงตาว่าอยางงา่างนั้นตอนนี้ก็ดูดูดู ด, ดูดูไปแต่ว่ามันเดินได้ม่นต้องไปนั่ง นั่งยกมือก็เหมือนเดิมนะคะก็คือมือไม่มีไ ม, มไม่มีน้ําหนักเลยเดินไม่นั่งไม่ถึงสองนาทีเฮ้ไม่ไหวไปเดินดีกว่าทีนี้มันเริ่มสลืมสลือ ม, มันเป็นมันเป็นเหมือนว่าเราเนี่ยเครื่องหลับเครื่องตื่นไอมองต้นไม้มองข้างๆเนี่ยมันเบลอเบอมันไม่ชัดเหมือนกับมันสลัวสลวเอะก็เปลี่ยนจากแก้แก้ใจก็บอกแก้มานาั่งมั่ง เดี๋ยวสองนาทีไปเดินมั่งโอ๊มันก็เป็นอยู่อย่างนี้แล้วทนนะทนนะลวงตาว่าให้ดูเฉยๆนะแล้วมันจะผ่านไปเองเดินไปเดินมาไปเดินมาสักครู่หนึ่งเอองั้นเราเปลี่ยนเราอาจจะติดกับสถานที่เปลี่ยนไปที่อื่นดีกว่าก็เลยข้ามไปอีกทางเดินจมกอมอีกเส้นหนึ่งตรงนั้นจะมีป่าป่าที่หนาหน่อยคลึ้มๆแสงแดดส่องไม่ถึงก็เดินเข้าไป ไปเดินอยู่สองสามสี่ห้าเก้าก็หมุนตัวกลับวนรอบสองรอบแล้วก็เกิดคือมันเกิดพร้อมกันสองอย่างก็คือเกิดเสียงแล้วก็อากาศเสียงพูดบอกว่าตัวเราไม่เป็นนี่แล้วก็เกิดสว่างว่าบไอความสลึมสลือนี่มันหายไปหมด แล้วก็ฮะทำไมฉันเป็นแบบนี้คือมันแจ้กมองขึ้นเลยบนต้นไม้บนยอดไผ่มันสว่างสวัยไปหมดมันไม่เป็นอึมคลึมเหมือนตอนแรกๆ ก, ก็เลยว้าวีใจจังเลยนี่ยังไงหลวงตาวให้ดูเฉยๆมันออกจากปิติได้ความไม่รู้นะคะก็ดีใจก็เดินออกมาจากตรง น, นั้นแล้วมายืน ยืนยิ้มด้วยความพอใจว่าเฮ้ยฉันผ่านเบติแล้วฉันไปเล่าให้หลวงตาฟังว่าเราผ่านได้แล้วก็กลับมานั่งนั่งแบบดีใจว่าเนี่ยประสบการณ์เนี่ยมันทําให้เรารู้จริงๆว่าเราผ่านเบติได้พอมานั่งตับก็มีเสียงพูดขึ้นอีกว่าตัวเราไม่เป็นนี่พอครั้งที่สองนี่โอ้ยมันเห็นหมดเลยค่ะ มันแจ้งมันรู้เลยว่าที่หลวงตาพูดว่าเทศว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันบริสุทธิ์จิตมันบริสุทธิ์มันไม่มีอะไรแต่เราหลงไปยึดไปเกาะไปเอาน้่นเอานี่หลงเข้าไปในกิเลสมันเลยเป็นทุกข์ถึงเข้าใจตรงนั้นว่าอ๋อมันหมายถึงตรงนี้พออ๋อเท่านั้นแหละค่ะมันพุ่งขึ้นมาเลยร้องไห้ ร้องแบบ amin, แก ata, ั้นได้อยู่โอ๊ยอย่าร้องนะอย่าร SO e ้องนะก็มองหาหลวงตาแล้วก็มองหาน้องที่เขาเดินดูว่าทํายังไงเขาจะไม่รบกวนก็ก็พยายามสะกดก็ร้องจนสะอื้นจนตัวสั่นทีนี้ก็พยายามตั้งสติจาคําที่หลวงตาว่าให้ทําใจดีๆกับการเกิดครั้งแรกที่ไปกราบหลวงตาก็ทําฉยๆทันทีที่เออไม่เป็นไรหรอกทีนี้ก็ทําใจให้สบายเออ ได้แล้วนะพอพูดว่นได้แล้วนะมันขึ้นมาอีกเป็นสลับอยู่อย่างเงี้ยสี่ห้าครั้งโอ้ยไม่ไหวแล้วถ้าคืนนั่งอยู่ตรงนี้น้ำตาฉันคงท่วมยอดไผ่แน่เก็บเก้าอี้เก็บสิ่งของมาเลยค่ะเดินมาเอาเก้าอี้ไปเก็บที่สาระกขึ้นมาเดินมาแต่ตอนเดินเหมือนเหาะก็ตัวลอยมาลอยมาตัวก็เบาเมืองก็เบาทำยังไงดี เาห้องน้ำอาบนะ้ำให่เลยเอาน้เทลาตัวเองอาบอๆอาบอาบอเออค่อยยังชั่วขึ้นออกมาเปลี่ยนเสื้อผ้ารู้สึกว่าโล่งสบายแต่หยิกตัวเองเนี่มันยังชาอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะมันไม่เจ็บเลยก็เออไม่เป็นไรหอรอกดวงตาว่าไม่เป็นไรดูๆไปก็ไปเดินจงกรมทางด้านหลังของของไอ ที่พักที่ที่ติดกับล้วโรงเรียนนะคะไปแอบเดินอยู่คนเดียวก็ไปเดินเดินแบบสบายสบายไม่กังวลคิดว่าเออนี้โคงคงเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมก็ปลอบใจตัวเองแบบนี้ทีนี้ก็มาเดินจงกรมหมู่ก็ไม่เห็นไม่เห็นญาติธรรมสายหญิงก็ไม่รู้ว่าไปไหนก็กังวลเออ หรือเราจะแหกข้ออยู่คนเดียวก็คือความกลัวความกังวลคิดได้เท่านี้อ้าวฉันหลงเข้าไปในความคิดอะไรที่ยังไม่เกิดไปคิดทไมมันตัดปั๊บทันทีแล้วก็โล่งแล้วก็สบายแล้วก็เดินจงกลมมูปกติไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งมาทำวัดเด็นแล้วก็ไปกราบหลวงตาก็เล่าให้หลวงตาฟัง แล้วก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาเล่าประสบการณ์ให้ญาติธรรมทุกท่านได้รับฟังก็อยากจะบอกว่าอ น, นิสงส์อย่างที่หลวงปู่เทียนท่านพูดว่าอ น, นิสงส์ไม่ต้องพูดถึงมีจริงดีฉันได้ประสบกับตัวเองแล้วก็คือตอนเช้าของวันที่เจ็ดซึ่งยังไม่ได้เกิดปรตตสองครั้งหลังนะคะไปกวาดไปกวาดใบ ไ, ไม้ที่ด้านหน้า กลับเข้ามาดิคือดิฉันวางวางขวดน้ํากับกระเป๋าที่ใส่ซองแว่นตาใส่กล่องแว่นตานะคะไว้ที่ขอบของไอ้ไอ้กระถางต้นไม้ยาวๆเนี่ค่ะท่านทันเป็นกระถางรอบๆเนี่ยทีนี้กลับมาปรากฏว่าเสียงน้ําซ่าๆก็มองไปอ๋อท่านเปิดน้ําลดต้นไม้มีคนเปิดน้ํารดต้นไม้แต่มองไปปุ๊บ เปียกหมดเลยค่ะเรารู้แล้วว่ากระเป๋าเราเปียกหมดเลยก็คือมันแฟบลงหมดเลยมันเป็นกระเป๋าผ้าพอเห็นกระเป๋าเปียกปั๊บจิตมันรับรู้แค่ว่ากระเป๋าเปียกมันไม่ได้ตกใจเลยมันเฉยเฉยมันไม่มีขบโมทนันโอ้ยตายแล้วไม่มีอุ้ยไม่มีถ้าเป็นปถ้าเป็นมระธานาธิบดีบมเมื่อไ่กระเป๋ากูเปียกขออนุ ญ, ญาตนะคะแต่มันไม่มีเลยมันรู้จัก กระเป๋าเปียกแล้วก็ไปเกิบเอากระเป๋าขึ้นมาแล้วก็คิดว่าในนี้มีแว่นตามีกล่องแว่นตามีไฟฉายมีปากกามีแบบราชการซึ่งหุ้มพลาสติกแล้วไม่เปียกน้ำทำก็แค่ไปถึงห้องเอาของพวกนี้ออกเช็ดผึ่งลมแล้วก็กระเป๋าเปตาแค่นั้นก็เดินช่ยไปถึงห้องก็ทำอย่างนั้นเอากระเป๋าเปิดตา แล้วมันไม่เหลืออะไรเลยมันไม่กังวลมันไม่คิดมันไม่ห่วงมันไม่มีอะไรเลยมันสบายก็เลยคิดว่าเออถ้าเรากลับไปอยู่ในสังคมแล้วทุกเรื่องที่เราประสบมันเป็นอย่างนี้โอ้ยมันคงจะมีความสุขมากเราคงไม่ทุกข์อันนี้คือตัวอย่างบางอารมณ์บางความคิดซึ่งจริงๆนัน่มันเกิดเยอะกว่านี้ก็อาจจะเป็นการ มากไปก็ข อ, อยกตัวอย่างเพียงเท่านี้นี่คืออานิสงส์ที่ได้จากการปฏิบัติธรรมเจวันที่ดิฉันมุ่งมั่นมาอยากรู้ก็ได้รู้แต่ไม่คิดว่าจะรู้มากขนาดนี้ไม่คิดว่าจะเห็นมากขนาดนี้ก็คิดว่าสิ่งที่ได้เห็นได้รู้นี่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ในชีวิตประจำวันดิฉันคิดว่าจะกำหนด ทรู้สึกตัวในทุกขณะที่ทำงานที่กลับไปบ้านมันอาจจะหลุดไปบ้างหรือมันอาจจะเผลอไปบ้างแต่เรายังมีตัวยืดเรายังมีที่ที่ยืดว่าต้องทำยังไงถ้าเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าเราสติอย่างน้อยถ้าเราฝึกต่อเนื่องทำไปเป็นประจำในชีวิตมันก็น่าจะทําให้ความทุกข์หรือสิ่งที่เราประสบในชีวิตนี้ เป็นเรื่องที่ง่ายง่ายเป็นเรื่องที่สบายไม่เป็นเรื่องที่มันจะต้องหนักหนาสาหัสเป็นกนังวลเป็นทุกข์กับการดําเนินชีวิตนี่คือสิ่งที่ดีฉันได้รับได้รู้ได้เห็นและคิดว่าจะนำไปปฏิบัติจากการมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสมพนัทค่ะไม่มมเมาเมาคนเดียวหมดเลยเนาะ สว่างก็ดีอ่นะเนาก็แย่หน่อยตรงที่อยู่ห่างไกลเขาหน่อยจํานวนทำพี่ถ้าไม่มีพระพี่เลี้ยงเฝ้าเนี่ยมันติดปีติแล้วมันจระเวนเปิด ป, ดปืงไปนานปัญหามันคืออันนั้นแหละต้องมีคนเฝ้าคนดูแลพระพี่เลี้ยงคอยช่วยปรับอารมณ์ให้วันนี้ถ้าเขาตั้งใจหน่อยเดินไปหาหน่อยก็จะได้หรอกอันนี้ก็ยังว่านะ ปิติธกันไหลไปตามความคิดว่าหลวงตาไม่ให้พูดกับใครเอาไม่พูดจะไปคนเดียวอ่นนะอย่างว่าเนี่ยสังเกต ด, ดูนะอันนี้ต้องอยกตัวอย่างหน่อยหนึ่งเราเห็นว่าเออเวลาคนเกิดปิติท่านมีพระพี่เลี้ยงดูแลไม่ใช่ว่ามันจะกลายเป็นปัญญาเลยถ้าสมาธิมากศรัทธาสู ง, งความตั้งใจดีเวลารำเนี่ย ม, มันติดอยู่นานกว่าจะเป็นปัญญาได้เห็นไหม กว่าจะออกได้กว่าจะดับดับทุกขคือรู้สึกปีติเนี่ยเวลาคนรู้สึก่บางลหลายคนนี้รู้สึกมีความสุขนะมีปีติือมีค ว, มความสุขก็ติดความสุขแต่เขารู้สึกว่าเขาอยากออกอยากออกเพราะว่าพอมันสูงขึ้นสูง ข, ขึ้นมันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันไม่ค่อยควบคุมมันไม่ได้นะปีติเนี่ยตัวมันจะเบาเกินเดินก็ไม่มีเบรกแล้ยที่นี้มันเบาเหมือนจะหอ่อเหมือนจะเตลิดเปิดเปลืองนะมันนั้นนั่นต้องกลับมาอยู่ปัจจุบันเฉย กลับไปนั่นเป็นดีหน่อยเขามีความเฉลียวใจเอ้าเราติดที่ว่าเอามาปรึกษาหลวงตาโอ้ปีติดมันเกิดสองสามครั้งนะถ้าเรารู้เท่าทันมันก็ดับแล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นสมาธิเป็นธรรมชาติเลยเอาเอหลวงตาว่าอีหน่อยนี้มันก็หายอีกครั้งเดียวเนี่ยกูเหลืออยู่ครังกูสองครั้งแล้วอะไรประมาณนี้นะคือให้มีความรู้สึกว่ามันหายได้มันหายแล้วเขากล้าดูไง ปกติคนนี้มันไหลเข้าไปในความคิดไ ม, ม่ค่อยดูพอไปดูมันเส้นลมนก็เอ้าสว่างวาบขึ้นม า, มาแล้วมันก็ปกตินะแต่ในความปกติมันก็ดีใจดีใจขึ้นมาอีกว่าเฮ้ยกูทําได้แล้วเว้ยแล้วก็ดีใจอีกเนี่ยมันติดปีติอีกรอบสองเนี่ยมันซ้อนมาเรื่อยเรื่อยแต่มันจะลดลงลดลงจากไอ้โลดผลปีตินี่มีอยู่สี่แบบหนึ่งคณิกาปีติสองอุเพงคาปีติสามภรณาปีติสี่อกันตาปีติ หลายแบบอันมีโลดผลมีโน่นมีนี่มีซาลพัดบางคนตัวใหญ่บางคนร้องไห้ส่วนมากมันจะร้องร้องไห้ไม่ร้องให้เพราะอะไรนะร้องให้เพราะดีใจเติบอปิมใจร้องไห้กับชีวิตตัวเองโอ้ที่ผ่านมากูงโง่เสียเวลาเว้นะมันจะเกิดปีตินั้นก็อื <c oughs> ได้เกิดปัญญาในน้อยกับความคิดความปรุงแต่งมันจะเริ่มดีเอ้ที่ กระเป๋าเนี่ยล้มตาเองนะเป็นคนเปิดน้ําใสเนี่ยเพราะว่าที่เปิดน้ํากับกระเป๋ามันอยู่ที่เดียวกันแต่ล้มตาไม่หยิบบอกหหหก็เสียงนะเสียงว่าหนึ่งโกรธกูหหสองคือเข้าใจตัวเองก็มีสองเงนเท่านั้นเองเอ้าวโกรธล้มตาล้มตารับได้ล้มตาก็ว่าอยู่ล้มตาทําอะไรกับใครเนี่ยใครจะโกรธใครจะเกลียดใครจะว่าอะไรล้มตาล้มตาก็รับได้ไม่ได้ว่าอะไรอื ออ ห, ย อ, ห อ, อยย่อมรับใดอีเขียววานนะไม่ไดูเออเอาแล้วแต่เสียงดูดิเนี่ยโกรธก็คือโกรธงุนอีกคือโก่นหิดอย่าง ม, าม้าผไม่มาหิดเท่านั้นแหละกระเป๋ากู้กระเป๋ากยเนี่ยน้ำมันก็กนนกจี้กี้เปิดใส่มันก็น้ําก็ถูกนะน้ำตาลเปิดช่างเอาผลมันออกมาก็ก็ดีไปเนี่ยสอนแบบเสียงนะเนี่ยเสียงเป็นเสียงตายนะ รับได้ก็ได้ถ้ารับไม่ได้ก็ยังว่าแต่ถ้าคนมีสติมันจะแปลงมันจะมีหมอกแปลงใครว่าเฮ้ย hey, เริ่มไฟเริ่มช็อตกูแล้วนะเนี่ยมีหมอแปลงปุ๊บดับลงมาให้เหลือเนี่ยน้อยสองร้อยี่สิบก็เหลือมาสิบแปดวนก็เป็นอูเรศเซนสว่างออกมาเนี่ยไม่จะง่ายง่ายนันก็เริ่มเห็นโอ้ oh, เราทุกข์นะเนี่ยเนี่ยมันก็จะปรับได้ปรับได้ปรับได้ทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะเริ่มเห็ น, เ ร, เ, หนเริ่มเห็นความคิดต่อไปในสังเกตนะแต่ก่อนเขารู้สึกแต่กายแต่พอมาเนี่ยมันเริ่มเห็นความคิด เริ่มเห็นอารมณ์เห็นอะไรแล้เริ่มดับได้แล้วเพื่อมันจะเป็นไปเองในจิตานุปัสสนาเนี่ยคือมันจะเลื่อนชั้นของมันขึ้นมาเองนะมันจะเป็นเองนั้นก็เราฟังก็อยังไงอยากลัวก็มีนะเนี่ยเกิดกําลังใจก็มีเนี่ยทีนี้นะแต่การเข้าใจธรรมะเนี่ยวัดตรงที่การเข้าใจชีวิต หลังจากนี้ก็คือใช้ชีวิตละอยู่กับความปกติอยู่อะไรเนี่ยมันดับได้ไม่ความทุกความปรุงแต่งความรู้คนนี้อันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดกับใจเราเหมือนเหมือนฝนจะตกเนี่ยมันจะมีฟ้าร้องฟ้าครำบึมบัมบึมบั่มบั่มเป็นนั้นเป็นนี้นะมันจะการมันปรับเมฆปรับฝนเนี่ยภาวะของการปรับของเขาก็เป็นแบบนั้น่ะวิ่งไปวิ่งมาหอบนู่นหอบนี่นะทั้งร้อนทั้งหนาวเนี่นี่แต่พอฝนมาตกฝนมาตกก็คือมันสร้างฟ้าฝนตกว่าสักพักหนึ่ง ก็จะชุ่มฉ่ำเละใจเย็นขึ้นมาเนี่ยคือธรรมะเกิดก็จะสบายชีวิตเนี่ยแต่บางคนมันไม่ได้เป็นนานแบบนั้นนะพอรู้สึกก็หายเลยปีติเนี่ยกลายเป็นปัญญาได้เลยแต่บางคนที่มีศรัทธาสูงมา ก, มากความตั้งใจสูงจริงๆเนี่ยแล้วห่างไกลกัลยาณมิตรโยนิสงส์มนสิการคือความเฉลียวใจก็มีน้อยเนี่ยมันจะติดนานติดนานหลายคนเวลาเกิดภาวะแบบนี้นึกว่าบรรลุธรมมรมอีกเหรอทีเนี้ย เออหรือว่ากกูไม่ปฏิบัติิงก็กูบลุแล้วกลวกับไปก็หาเทศใหญ่เลยที่โ น, น่นที่นี่เล่าโ น, น่นเล่านี่เจอใครกันเล่าเอาไปมาเขาเลยเฮ้ยมันปกติบ่นฤฤว่าไม่ใหญ่นี่เนาะคนมาเล่าเนะี่ยคนทังโลกเขาไม่รู้เรื่องกับเราในะเรื่องแบบเนี้ยแต่เขาไม่ปฏิบัติเขาไม่รู้พราไม่รู้เขาเอาละเริ่มงมาไครเขาก็จะว่านั่นว่านี่เราเร า, เราก็จะว่าเฮ้ยขนาดกูเล่าทำไมามึงมึงจะมาฟังกูเติ สูข Heck, ึงโง่เมียไม่ติกูล่าออกแมีมันสำหรกูไปเห็นอยู่เพื่อนกูก็ได้เนี่ยมันไปเลยทีนี้แต่พออารมณ์ตกปีติมันจางเนี่ยมันกลับคืนมาโอ้ยไปแต่จจกอายคนเว้ยที่ผ่านมาเนี่ยระวังดีๆนะเนี่ยช่วงนี้มันจะเป็นแบบนั้นนะทำใจเฉยรู้สึกเฉยนะทําใจเฉยาทำเบาลืมตาเกิดอาการสงบอาการอะไรเกิดขึ้นก็ําอยู่ไปยุ่งกับมันรู้มันใเฉยๆแล้วลึกรู้อยู่ใเฉยๆเดินไป เดี๋ยวมันค่อยๆ ค, คลายออกคลายออกแล้วมันอย่างเขาบอกว่ามีปีติมีปีติมีใจเฉยๆก็มีมีความสบายก็มีความสุขก็มีเนี่ยเวลามันเข้าฌานนี่ยนะฉะั้นคุณต้องลัดทิ้งทิ้งปีติให้ได้แต่การทิ้งปีติเนี่ยมันยากนะบางคนทําำยังไงก็มาถึงปีติก็จบก่อนปีติก็จบก่อนนะฉะนั้นปีติหยุดภายใต้การควบคุมก็คือรู้สึกเบาๆสบายๆมีพลังให้มันมาเสริมการปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วมันจะโล่งจะโปร่งเอาผู้หญิงพูดไปแล้วเนาะ น้องเข้ามาด้วยเขาดีไหมดีไหมดีบ้างไหมโอ้โหดีนอนแล้วก็ดีได้เนี่ยเราก็มาด้วยอย่างดีนะอานรร่านหนังสือแล้วก็ฟังมาเราก็มานี่เขามีมีเพื่อนดีก็พาไปหาดีเพื่อนบัณฑิตก็พาไปหาบัณฑิตถ้าก็ไปหาธรรมะธรรมโมนี่แหละธรรมะหลายคนนี่ก็จะลําบากละ่ะพูดง่ายๆเป็นแวนนันพวนี้มางสองคนก็ยังดีหน่อย